ในเชาวันนี้ก็ขอให้พระพิสุสงฆ์สัมมณีแม่ชีและอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายจงตั้งจิตตั้งใจเพื่อที่จะได้ทำสมาธิจงใช้ความเพียรจงใช้ความอดทน ในการที่จะฝึกตนเองเพื่อที่จะให้สำเร็จความประสงค์ที่เราต้องการเมื่อเราพร้อมแล้วค่อยๆหลับตาลงหลับตาลงเพื่อสำรวจลมหายใจเพื่อพิจารณาลมหายใจของตัวเราเอง ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเราใช้ชีวิตของเราไปทำอะไรบ้างวันหนึ่งวันหนึ่งเราใช้ชีวิตของเราให้กับอะไรบ้างซึ่งในชีวิตของคนเรามันก็ทำหน้าที่แตกต่างกันไปบางคนอยากทำอีกอย่างหนึ่งแต่ก็ทำไม่ได้ บางคนอยากทำอย่างนี้แต่ก็ต้องไปทำอย่างนั้นมันเป็นเพราะเหตุอะไรทำไมการกระทําของบุคคลแต่ละคนเนี่ยต้องแตกต่างกันไปเพราะคนเนี่ยมีจริตที่ไม่เหมือนกันคนมีจริตที่แตกต่างกันไปในการทำสมาธิเนี่ยเราไม่ได้มีอารมณ์เดียว เรามีหลากหลายอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในขณะที่เราทำสมาธิบางครั้งเราได้ยินเสียงในขณะนี้เรามีความรู้สึกหงุดหงิดใจก็เป็นไปได้เรามีความลำคานในเสียงที่เราได้ยินก็เป็นไปได้แต่เรายังไม่รู้การปฏิบัติเรายังไม่เข้าใจในการกำหนดการกำหนด ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากเลยเรากำหนดง่ายมากแต่เราจะกำหนดได้หรือกำหนดไม่ได้เท่านั้นเองเราจะกำหนดอย่างไรจึงเรียกว่ากำหนดได้การทำสมาธิการที่เราจะกำหนดได้เนี่ยเราต้องรู้ทุกขณะทุกขณะที่ลมหายใจเข้าเราก็รู้เราหายใจออกเราก็รู้นี่คือการที่เรากำหนดได้ พอเรากำหนดได้เนี่ยเราจะรู้อะไรเราก็จะรู้ลมเข้ากี่ครั้งออกกี่ครั้งเราจะรู้อย่างชัดเจนเราจะรู้อย่างละเอียดขณะที่เราทำสมาธิลมหายใจเข้ากี่ครั้งเรายัางกำหนดไม่ได้เลยลมหายใจออกกี่ครั้งเรากาหนดไม่ได้เลยแล้วเราจะไปกำหนดสิ่งอื่นได้อย่างไร ทำไมเรามีความศรัทธามีความเชื่อมั่นในองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าแม้กระทั่งพระภิสุสงฆ์สมณเณรแม่ชีและอุบาสกอุบาสิกาในที่นี้ไม่มีใครเคยเห็นหน้าตาขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเลยแต่ทำไมเรามีความเชื่อมัน่นเรามีความศรัทธาว่าองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมีอยู่จริง มันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะเหตุที่เราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เราเกิดเพราะเราเกิดในศาสนาพุทธนับถือศาสนาพุทธเรามีการปลูกฝังมาตั้งแต่เกิดเรามีการหล่อหลอมหล่อเลี้ยงมาด้วยพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่เกิดแล้วพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็สอนให้เราเนี่ยว่ายพระ สอนให้เรากาบพระสอนให้เราระนึกถึงคุณของพระไม่ว่าจะเป็นพระพุทธไม่ว่าจะเป็นพระธรรมไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์การที่เราได้ถูกล่อหลอมปูกฝังมาตั้งแต่เด็กเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยมีความมั่นใจแล้วก็มีความเชื่อมั่นมีความศรัทธาว่าศาสนาพุทธเนี่ยมีองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุข เป็นประธานทำให้เรามีความศรัทธามีความเรื่องใสทั้งๆ ท, ที่เราไม่เคยเห็นหน้าคาตาเลยทั้งๆ ท, ที่เราไม่รู้จักที่ไปที่มาเลยว่าองค์สมมาสัมพุทธเจ้านั่นเป็นใครมีที่ไปที่มาอย่างไรเราไม่เคยรู้เลยแต่ก็ไม่เป็นไรแค่จะบอกให้เข้าใจเฉยๆว่าในขณะนี้เนี่ย สิ่งที่เราต้องทำความรู้จักให้มากที่สุดก็คือกายของเราเองตัวของเราเองทำไมเราไม่มีความเชื่อมั่นในใจของเราทำไมเราไม่มีความตั้งมั่นภายในใจของเราให้มันเกิดขึ้นในขณะที่เราทำสมาธิทำไมเราไม่สร้างความศรัทธาให้ใจเราเองว่าในขณะนี้เรามีศีลแล้วเราถือศีลอยู่ เราประพฤติปฏิบัติอยู่เรามองเห็นใจเราเองหรือเปล่าเรามีความศรัทธาในใจของเราหรือเปล่าเราก็ลองถามไปที่ใจเราชีวิตของคนเราเนี่ยต้องการคู่ขาดคู่ไม่ได้บางคนก็ต้องการคู่คิดบางคนก็ต้องการคู่นอนบางคนก็ต้องการคู่เที่ยวบางคนก็ต้องการคู่เล่น ทำไมมันเป็นอย่างนั้นชีวิตเนี่ยเราคิดว่าเราอยู่คนเดียวไม่ได้แต่ถ้าในการปฏิบัติเนี่ยต้องอยู่ปาดสจากบุคคลอื่นคือต้องอยู่ตัวคนเดียวแต่ทำไมเราถึงอยู่ไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะเหตุและปัจจัย จะพาเราไปที่ไหก่งปฏิบัติเป็นท e ี่ทีอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่การปบัติขผู้ปริพัติปฏิบัติ่านการที่เราสัมผัสำสมาธิอารมณ์สมาธิมันเกิดขึ้นเรายังไม่รู้เลยว่าอารมณ์สมาธิมันเกิดความรู้สึกที่มีตัวตนในขณะน สมาธิ ส, สุตั้ง่ในขณะนี้นเรามีความปั้งใจให้เรามีความพอในความใจเราคิดเจรนาปเห็นใจของใจิดเจริญเห็นใจของมันปิดมันพงเต ที่มันเกิดขึ้นอยู่ทุกขณะที่มันเกิดขึ้นอยู่ทุกเวลาเปรียบเสมือนคนที่ไม่เคยเห็นก็ยกแต่คนที่ไม่คนที่เห็นแล้วแต่กลับไม่เห็นอกีกคนที่หูหนวกไม่เคยได้ยินก็อยากไดยคนที่เป็นบใบไม่เคยได้พูดก็อยากจะพูดมันเป็นพ่ออะไร มันเป็นเพราะเหตุและปัจจัยที่ทำให้แต่ละคนเนี่ยมีบุคกรรมและวิบากกรรมที่มันแตกต่างกอนไปเราเป็นผู้ที่มีบุญขนาดเ ล, ล็ที่เกิดมามีอาการพ่องษาที่สองประการไม่ขาดตกบกท่องมีความสมบูรณ์แบบทุกอย่างแต่ความขาดตกบกท่องเนี่ยมันอยู่ที่การกระทาขอ ง, รงเราเอง อยู่ที่ใจของเราเองว่าเราจะทิชยังไงเราจะปรุงแต่งเราจะควบคุมใจเราอย่างไรให้ใจเรามีความสมบูรณ์นั่งสวดมนต์ทำวัดก็ได้ยินเด็กคนทุกวันซึ่งเป็นเด็กที่พิเศษไม่เหมือนคนอื่นเป็น อ, อนวัพิเศษสวดมนต์ไม่ได้ก็อยากจะสวด อ, อกเสียงไม่ได้ถ้าอยากจะออกเสียงกานัง่งพิจารณามาสองวันเขาสวดเข้าใจไม่เข้าใจก็คิดว่าเขาผมไม่เข้าใจแต่เขาก็อยากจะสวดเขาก็อยากจะเป่งเสียงออกมาเขาเห็นคนอื่นทำเขาก็อยากจะทำได้แต่เขาก็ทำไม่ได้เหมือนคนอื่นแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดคือมีความพยายามทั้งๆ ท, งที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ คิดปกติให้เหมือนกับคนอื่นเขาและในความเป็นคนที่มีความปกติเหมือนกันสามารถคิดสามารถทําสามารถปฏิบัติได้เหมือนเหมือนกันและก็เท่าเทากันแต่ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลว่าเราปฏิบัติแล้วเราจะได้อะไรก็ค่อยๆนั่งพิจารณา เรามองไม่เห็นกายเราให้มากที่สุดแล้วจะดีมองไม่เห็นใจเราให้มากที่สุดแล้วก็จะดีถ้าเราปฏิบัติแล้วเราไม่เห็นกายเราเลยว่าในขณะนี้เนี่ยมันเกิดอาการอะไรขึ้นบ้างภายในกายและภายในใจเราเราต้องมองไม่เห็นอยู่ทุกขณะิทุกขณะลมหายใจเข้าออกกายมันปวด เราก็รับรู้มันให้ได้กายมันเมื่อยเราก็รับรู้มันให้ได้กายมันมีความรู้สึกได้สัมผัสว่าอากาศมันหนาวลมมันเย็นก็สัมผัสมันให้ได้รู้สึกมันให้ได้อารมณ์ของสมาธิที่มันเกิดเนี่ยมันไม่ยากมันยากตรงที่เราไม่ได้ตั้งความเปลี่ยนไว้ เราไม่ได้ตั้งความอดทนอารมณ์สมาธิเมื่อมันเกิดสมาธิจริงๆนะอารมณ์มันจะนมันจะสงบมันจะไม่ซัดสสยไปที่ใดที่หนึ่งในแค่ตั้งเสียงที่ไม่ยินเราก็อยา่าไปใส่ใจเราตั้งอารมณ์ไว้ให้เป็นอย่างตั้งอารมณ์ให้มั่นอตลอดเวลาเราอยา่าซัดสายเรายา วัดเว่งไปที่อื่นอย่าไปสนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแล้วก็ปล่อยทำอารมณ์ให้สงบ น, นิ่งอย่าไปสนใจในเสียงที่เราได้มีนในขณะนี้เนี่ยเราต้องดูใจเรามองไปที่ใจพิจารณาไปที่ใจ แล้วเรามีความตั้งมั่นในใจที่มันกําลังสู้กับกายอยู่ให้กายมันก็กําลังสู้กับใจอยู่กายแพ้ใจหรือใจแพ้กายเราก็พิจารณาให้ดีๆว่าในช้างวันนี้ เ, เราได้ทาสมาธิได้บําเพ็ญให้กับตัวเองสร้างกุศลให้กับตนเองเราหลอกพิจารณาไปว่า กายมันแพ้ใจหรือป่าหรือใจมันแพ้กายหรือเปล่าพิจารณาว่าเราจะเอาชนะใจเราอย่างไรโดยปกติเนี่ยทุกคนก็จะแพ้ใจตัวเองอยู่ตลอดเวลายากนักยากหนาที่จะเอาชนะใจตนเองได้ยากนักยากหนาที่จะรู้ใจตนเองได้แต่เราเนี่ยมักจะไปรู้ใจผู้อืไปใส่ใจผู้อื่นมากกว่า ไปดูแลผู้อื่นจะมากกว่าทำไมเนาะเราไม่ใคยใจตัวเองเราไม่ดูแลตัวเองเราไม่ประคับประคองตัวเองให้ดีเสียก่อนก็เป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องมีมีความรู้สึกเช่นนี้แต่ในการปฏิบัติในความตั้งมั่นของใจนี้ต้องเป็น ในความตั้งมั่นของสมาธิที่มันจะเกิดก็ต้องเป็ น, นในความตั้งมั่นกาหนดลมหายใจเข้าออกก็ต้องเป็นหนึ่งหนึ่งเดียวเท่านั้นอย่าให้มีอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกแด็การอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์มีความรู้สึกโกรธรู้สึกโมโหรู้สึกเล่าร้อดอย่าให้มันเกิดต้องให้มีอารมณ์เดียว อารมณ์ที่มันมีความรู้สึกว่ามันเกิดและทำให้ใจเรามีความสุขเกิดและทำให้ใจเรามีความชึ่มชื้นใจอยู่ตลอดเวลาถ้าอารมณ์อย่างนี้เกิดเนี่ยถือว่าดีแต่ถ้าอารมณ์อื่นมันเกิดล่ะอารมณ์อื่นมันทำหน้าที่พอมันมีความรู้สึกก็ใจมันไม่ใจมันมีความรู้สึกว่าโกมันไม่พอใจมันรู้สึกลาคาญ ถ้าเกิดอารมณ์อย่างนี้เนี่ยใช้ไม่ได้คนทําสมาธิเนี่ยสมาธิยังไม่เกิดคนทําสมาธิต้องไม่ฝักใฝ่ในอารมณ์อืมไม่ฝักใฝ่ในเสียงที่เราได้ยินไม่ฝักใฝ่ในกลิ่นที่เราได้รับรู้ไม่ฝักใฝ่ในรสอที่เราได้ที่เราได้สัมผัสไปสิ่งที่เราได้สัมผัสในแต่ละวัน สิ่งที่เราได้รับรู้สิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราได้ยินในแต่ละวันเนี่ยกายเราเีต้องต่อสู้ต้อง บ, บับน่นนมันมากแี่หนสิ่งที่เราต้องต่อสู้กับร่างกายเรามีที่มันบัน่นทอนชีวิตเราทุกวันทุกวันก็สืดใจมันก็ทำร้ายใจเราทุกวันบั่นทอนใจเราทุกวันให้แห้งเหี่ยวให้ โหยหาอยู่ตลอดเวลาเพราะใจมันขาดใจของคนเนี่ยมันขาดหลายสิ่งหลายอย่างจึงทําให้ชีวิตของมนุษย์เนี่ยต้องสาะแสวงหาทุกสิ่งกอย่างเพื่อมาบํารุงบําเรอตัวเองบําลุงบําเรอความอยากความต้องการของตัวเองทั้งนั้นแต่เราก็ไม่ได้พิจารณานะว่าการที่เรามาประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะใช้อะไรบําลุงใจของเรา เราจะใช้อะไรรักษาใจของเราเรามีศิลศินก็รักษาได้เพียงระยะหนึ่งศีลก็รักษาได้เพียงช่วงคู่หนึ่งมันก็มีเวลาของมันบางคนมีเวลารักษาใจตัวเองได้แค่สองวันบางคนก็รักษาใจตัวเองได้แค่วันเดียวยังไม่รู้เลยว่าใจที่ผิดปกติมันจะเป็นปกติหรือเปล่าใจที่มันเคย ชั่ว้ายมันจะดีขึ้นหรือเปล่ามันก็อยู่ที่เราอยู่ที่ความเพียงอยู่ที่ความพยายามอยู่ที่ความตั้งใจที่เราได้ทําในแต่ละวันเราก็ต้องพิจารณาไปพิจารณาใจทุกวันทุกวันใ้เห็นทุกวันทุกวันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดคนเนี่ยเมื่อไม่รู้ใจตัวเองเนี่ยก็จะไม่เข้าใจตัวเองเพอเราไม่เข้าใจตัวเองเนี่ย เราก็ไม่เข้าใจคนอื่นเช่นเดียวกันเรามัวแต่เฝ้าโทษคนอื่นว่าคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้นแต่เราไม่เคยโทษใจตัวเองเลยไอ้ใจที่มันชั่วใจที่มันหยาดเนี่ยมันคอยไปตำหนิคนนั้นคอยไปว่าคนนน้นคอยไปทำร้ายคนนี้เพราะไอ้ใจเราเนี่ยหัวใจมันมีความรู้สึกเกิดขึ้นนีไง มันก็ให้ความคิดเนี่ยทำงานทําหน้าที่ไปจัดตินสิ่งที่จะต้องพิจารณาเคือสิ่งที่อยู่ในกายพิจารณาให้มากกว่าไม่ว่าจะเป็นความคิดที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเราก็ต้องพิจารณาว่าโอ้นาะเราคิดดีหรื อ, อยังวันนี้หรือเรายังคิดชั่วอยู่สิ่งที่เราคิดมันถูกต้องหรื อ, อยังหรือว่าเอ้เรายังคิดผิดอยู่นี่คือสิ่งที่เราต้องพิจารณา คือสิ่งที่เราต้องคิดอารมณ์เราะรัอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันเดี๋ยวเราก็งดหนิดเดี๋ยวก็โมโหเดี๋ยวเราก็ลำคาเดี๋ยวเราก็เบื่อเดี๋ยวเราก็เซง็งนี่อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันเนี่ยเราพิจารณาเห็นหรือเปล่าเห็นหรือไม่ว่าอารมณ์เบื่อเนี่ยมันเกิดขึ้นมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะใจเราหรือเปล่า อารมณ์ที่มันหงุดหงิดมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะใจเราไปโผูกหรือเปล่าอารมณ์ที่มันเซ็งเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะใจเราไปโผูกหรือเปล่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นภายในกายเนี่ยใจไปโผล่กับมันว่าใจไปโผล่กับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้ใจเราเนี่ยต้องมีรอยช้าทําให้ใจเราเนี่ยมีบาดแผล ทำให้ใจเรามีตำหนิเมื่อใจเราบอบช้ามาเนี่ยเราก็ต้องรักษาใจของเราในแต่ละวันการทําสมาธิเนี่ยเปรียบเสมือนการนักษาใจให้ดีขึ้นการทําสมาธิเนี่ยเป็นการหล่อนหลอมใจให้มันแข็งแรงขึ้นทําไมถึงบอกอย่างนั้นถ้าเราไม่ได้มาทําสมาธิเนี่ยก็ยากนักยากหนาที่จะทําให้ใจเราสงบได้แม้กระทั่งนวดทาสมาธิแล้วก็ตาม ใจเราะ ง, งบไม่ได้เลยมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะเราไม่มีความตั้งมัน่นเราไม่มีความเชื่อมัน่นเราไม่มีความศรัทธานในตัวเองเราไป ม, มีความเชื่อมัน่นกับบุคคลอื่นจนมากเกินไปเพราะนั้นจงพิจารณาให้ดีๆพระพิสุสมก็ตา่างสัมมาเนรก็ต่างเมชีอุบาศกอุบาจิกาตา่าง เราปฏิบัติแล้วเนี่ยในการปฏิบัติมันจะไม่ขัดขืนแล้วก็จะไม่เสียเวลาในการปฏิบัติเวลาที่เราปฏิบัติไปเนี่ยมันจะไม่เสียไปก็ค่อยๆพิจารณาไปเรื่อยๆวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยยังมีอะไรให้เราได้พิจารณาอีกมากมายยังมีอะไรอีกมากมายที่เราจะต้องรับรู้ที่เราจะต้องสัมผัส ที่เราจะต้องเห็นที่เราจะต้องได้ยินที่เราจะต้องคู่ที่เราจะต้องทาที่เราจะต้องลำบาก ท, ที่เราจะต้องเหนืยเราลองพิจารณาว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราในแต่ละวันถามไปที่ใจตัวเองว่ามันยังไม่พอเลยหรือมันจะพอแค่นี้หรือว่าจะไปต่อหรือจะหยุดยังไงเราก็ถามไป ถามไปที่ใจเราเว่าความเพียรเราจะหมดแค่นี้นะความพยายามเราจะหยุดแค่นี้เนาะถามกับตัวเองทุกๆวันอยู่กับตัวเองทุกๆวันแล้วเราจะเข้าใจในการปฏิบัติมากขึ้นก็ให้ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายจนไปถึงพระพิสุทสงฆ์สมมาเนม แม่ชีและอุบ า, บาสิกาทั้งหลายที่ได้มารวดมนธรรมวัดเช้าในวันนี้ก็ให้เก็บไปคิดพิจารณาในสิ่งที่เราได้กระทำในแต่ละวันในการปฏิบัติของเราในแต่ละวันเนี่ยว่าเราปฏิบัติแล้วเราจะได้อะไร ปฏิบัติแล้วเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเท่านั้นในการที่เราปฏิบัติเนี่ยกว่าเราจะข้ามพ้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปได้ในแต่ละวันในการใช้ชีวิตในแต่ละวันก็เช่นเดียวกันกว่าเราจะข้ามผ่านไปวันหนึ่งชีวิตเนี่ยมันช่างเหนื่อยเหลเกินเราอย่ามัวไปหลงกับการใช้ชีวิตของตัวเองบาคงคนหลง หลงมากมายเลยหลงจนไม่รู้ตัวเองเลยว่าชีวิตที่เราใช้ในแต่ละวันเนี่ ย, ย ค, วความเหน็ดเหนื่อยความําบากความเนยยากที่มันเกิดขึ้ น, นมันมากขนาดไหนแล้วมันก็บรรทอนจิตใจเราทุกวันทําลัาจิตใจเราทุกวันจึงทำให้สภาวะจิตใจเราเนี่ยแย่ลงเพราะทุกคนมีโอกาสเข้ามาถสินแล้วมาประพฤติปฏิบัติแล้วก็ต้องทาจิตใจให้มันดีขึ้น อย่าให้จิตใจมันเข้าหมองอย่าทำให้จิตใจมันขุ่นคล้องมองมัวอยู่เลยต้องทําให้จิตใจมันสดใสทําให้จิตใจเนี่ยมันสมบูรณ์พร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาเพระช้านี้ก็พอสมควรใช้เวลาในการประพฤติปฏิบัติแล้วก็ขอชุติลงหกไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ค่อย ลืมตาออกจากสมาธิเพื่อที่จะได้ปวดน้ำพร้อมกับภาคพืชของมีดันีนิมนต์ครับ